ขอความสุขความเจริญจงอิเดชันผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนเอสภาสวะสังวรสูตรคือพระสูตรที่พระเจ้าทรงแสดงวิธีสำรวมระวังเพื่อไม่ให้อสวะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นที่เกิดแล้วให้เสื่อมถอยลงไปก็ได้นำเสนเอามาสองวิธี วิธีแรกก็คือละด้วยการเห็นวิธีที่สองก็คือละด้วยการสํารวมระวังเวลาเราสัมผัสการลมคือในกรณีนี้ที่จริงส จ, จะสํารวมระวังที่อายตนะภายในก็ได้ไปนอกก็ได้ที่วิญญาณก็ได้ที่สัมผัสก็ได้ที่เวทนาก็ได้ที่ตัณหาก็ได้ที่วิตกก็ได้ที่วิญญาณก็ได้แต่ว่าปริยายนี้ทรงสแสดงในมหาสติปัฏฐานสูตร ในส่วนที่ว่าทรงไสยสัต์จะทรงแสดงให้เห็นว่าปัญหาไม่จะเกิดเมื่อเกิดได้ทุกจุดเกิดที่อายตนะภายในภายนอกเกิดที่วิญญาณเกิดที่สัมผัสเกิดที่เวทนาเกิดที่ตัณหาเกิดที่มิตกเกิดที่วิจารมันเกิดได้ทั้งนั้นเพราะนั้นเมื่อระดับมื่กระดับในจุดตรงนั้นทรงแสดงไว้ในส่วนที่เป็นนิโรธสัต์ จริงๆมมีสัญญามีสัญเจตนาอยู่ด้วยแต่ว่าชื่อหลอนนี้ที่จริงมันเป็นขณะจิตมันเร็วมากเราก็กำหนดไม่ไปยทันหรอกแต่สรุปว่าทำยังไงก็ตามให้กิเลสมันลดลงไปได้หรืออย่างเบาๆ ก, ก, ก็ไม่เพิ่มตัวถือว่าเป็นการบฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ระดับ ความหมายสูงสุดมันอยู่ที่การสงบประงับดับไปของอาสวะก็ได้ทรงแสดงอีกวิธีหนึ่งเกี่ยวกับปัจเจส ĩ ที่สรง้ายคำว่าอาสวะปฏิเสวนาปะหาตาัมบ่าอาสวะที่พึงลาดได้ด้วยปฏิเสวนา คำว่าปเสวานานั้นอาจจะแปลว่าซ่องเสพอาจจะแปลว่าใช้สอยอาจจะแปลว่าเสพอาจจะแปลว่าบริโภคหรือแปลว่าอุปโภคบริโภคก็ได้เพราะมันเกี่ยวกับปัจจัยสี่ทั้งสี่อย่างเราจะเห็นว่าปัจจัยสีเหล่านั้นบางอย่างมันก็บริโภคเช่นพวกอาหารพวกยาในบริโภค เสนาธนะมีบางก็อุปโภคเครื่องนุกหมมันก็เป็นอุปโภคคือเครื่องใช้สอยมันก็แปได้อยู่หลายอย่างปัญหาเรื่องปัจจัยสี่เป็นปัญหาใหญ่มากๆเป็นปัญหาระดับโลกนะแล้วก็มนุษย์ไม่เคยแก้ปัญหาเรื่องปัจจัยสีได้ยังทำได้แค่บรรเทา ลดความรุนแรงของปัญหาที่เกี่ยวกับปัจเจสีลงไปแั่นั้นในแง่ของการปฏิบัติที่จริงก็สรงแสดงไว้โดยนัยยะต่างๆนะแต่ว่าในตรงนี้คือพูดเฉพาะช่วงที่ว่าเราครอบของปัจเจสีแล้วก็ในช่วงที่ต้องใช้สอยต้องอุปโปภคบริโภคนี่ ทำยังไงจะให้มีสติสัปยายามปชัญญะยูเท่าทันถึงวัตถุประสงค์เจตนาลมที่แท้จริงของการบริโภคปัจจัยสี่จริงๆเนี่ยมันคืออะไรเพราะเรื่นี้เราจะบริโภคทั้งบริโภคทั้งอุปโภคกันนะฮะมันมีลักษณะเป็นอาหารอาหารใจอยู่เยอะแต่ว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วปัจจัยสี่มันเป็นเป็นเรื่องดูแลร่างกายเพราะงั้นพระอริยบุคคลจึง ไม่ได้ละปัจเจ sĩ หรือต้องอิงอาศัยปัจเจ sĩ แต่ท่านเข้าถึงสารถาที่แท้จริงเพราะงั้นท่านบริโภคปัจเจ sĩ โดยไม่มีความยึดติดอะไรเป็นลักษณะของการเอาน้ำมันมาหยอดเครื่องให้เดินได้ก็จบจึงเรียกเรื่องเหล่านี้บางทีเรียกว่าอริยวงนะฮะหมายความมาพูดที่สืบสารวงของภริยะได้เนี่ยมันต้อง รู้เท่าทันซึ่งปัจเจศแล้วก็ไม่บริโภคด้วยอำนาจของตัญหาซึ่งเป็นการบริโภคด้วยใจในกรณีต่อเ น, นี้ยแม้แต่พวกที่อะไรล่ะมังสวิรัตถึงบางยุคบางสมัยก็เป็นแฟชั่นนะไปนิยมเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์กันเยอะมากคล้ายๆจะเป็นผู้วิเศษ ใครๆจะเกิดบุญอันเอก น, นันต์ลำ ง, งนั้นโดยรลืมไปว่ามันอาจจะไม่เป็นบาปในกรณีที่เราไม่ข่าสัตว์แต่ว่าเป็นบาปในกรณีที่เราปรุงแต่งต้องการเป็นปลาบ้างเป็นกุ้งบ้างเป็นหมูบ้างเป็นอะไรๆต่างๆเนี่ยคือในชีวิตอรมานเนียเคยสั่ง อาหารมังสวิรัตครั้งแรกที่วัดบวอนนี่เองไม่เคยเห็นเลยอาหารมังสวิรัติฉันเสร็จไปแล้วนะลงมาข้างล่างไ ม, ม่เจอโยมโยนถามว่าเป็นไงท่านอาหารมังสวิรัตเนี่ยฉันได้ไหมบอกว่ายังไม่เคยสันเลยเฮ้ยฉันไปแล้วเราไม่รู้เลยว่าเป็นอาหารมังสวิรัต คือฉันในฐานะที่เป็นอาหารท่านั้นเองคือไม่ได้ใส่ใจติดใจมันเป็นเป็นอะไรเพราะจริงๆมันเป็นรูปร่างอ่ะเป็นรูปไข่ปลาโลเป็นรูปกุ้งเป็นรูปปลาเป็นรูปเนื้อเป็นมันเหมือนกันทั้งสีทั้งกลิ่นทั้งรสเราก็ไม่เคยติดใจอะไรท่ายนะฮะเป็นพระเนี่ยครูจ้าวก็สอนปฏิสังขาโยไว้แล้วบางโยมยังไม่เคยจังเลย โยงไปบอกว่าที่ทัานันทั้งหมดอ่ะพิษอาหารมังสวิรัตานั้นบอกอ้ออย่างนั้นเลยแต่ก็จำเอไม่ได้นะฮะเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจสังเกตอะไรแล้วก็ในตอนข้างหลังตอนหลังจริงๆจึงรู้ว่าไอ้สิ่งนั้นคืออาหารมังสวิรัแตแล้เราก็ขันก็ก็ขันได้สบายดีย น, นะจริงๆก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่เราไม่ได้เกิดมันเกิดไม่ได้คิดมันจะเกิดบุญเกิดบาปอะไรกัน คือจะลืมมาเนื้อหาสาระจริงๆเนี่ยต้องไม่บริโภคดิตันหาให้เป็นอาหารกายอยาให้เป็นอาหารใจการปรุงขึ้นเป็นรูปร่างต่างๆแสดงมาเป็นอาหารใจเหมือนบริโภคดิตันหาอยากกินกุ้งอยากกินปลาอยากกินเนื้ออยากกินสัตว์ที่มีชื่อต่างๆฮะเอาถั่วเอาอะไรต่ อ, อไรก็มาปรุงขึ้นไม่จําเป็นจะต้องทําอย่างนี้เนี่ยวันพฤติการของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนในแนวของ ฉันอาหารในบาทเนี่ยคือถ้าปฏิบัติในแนวของกรรมฐานเขาเรียกว่าหาเรปฏิกูลสัญญาคือท่านเอาอาหารเหล่านั้นมาขยำปุนกันมก็ดูเดือดไม่ใช่เล่นนะ่นะฮะเพื่อมาในสารภาพตรงๆเลยว่าฉันไม่ไหวฉันไม่ได้แต่้็มีพระบางองในเขาฉันหน้าเฉยตาเฉยเลย เอามาขยำท่านเล่าว่าสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์โตโพรหมรังสีเนี่ยที่ท่านสร้างพระเครื่องทั้งหลายพระสมเด็จทั้งหลา ย, ยานะฮะเครื่องปรุงวนหนึ่งก็มาจากอาหารที่ท่านฉันแล้วรู้สึกว่าอร่อยท่านจะขายทิ้งท่านจะอ า, อาหารมาขยำปนกันแล้วจนไม่รู้สึกรสของอาหารอาหารใดที่นั้นรู้สึกรสเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ท่านจะขายทิ้ง แต่พวกนี้เก็บเป็นมวลสารหนึง่งเอามาปรุงเอามาทำเป็นพระเครื่องแล้วก็ฝึกแนวหาเรยปฏิกูลสัญญาแต่ว่าก็คงอย่าเอาขนาดนั้นเลยเอาว่าทำยังไงอย่าบริโภคปัจจัยสีด้วยตัญหาเพราะในข้อ น, นี้ก็รับสั่งว่าอาสวะที่พึงละได้โดยการท่องเสพเป็นเช่ไนไร คือผู้เห็นภายในสังสารวัตรในพระธรรมใ น, นนี้พิจารณาโดยแยกขายแล้วพึงใช้สอยปัจจัยสี่ตามควรแก่ปัจจัยนั้นๆว่าคือมาความว่าเป็นพระธรรมเทศนาที่สรงแสดงแก่พระภิกษุวันบาลีก็จะขึ้นคำว่าอิทาภิกเวภิกขุ ดูก่อภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้หรือในศาสนานี้แต่ว่าคำว่าภิกษุที่จรงิงก็หมายถึงผู้ที่เห็นภัยในสังสารวะัฏเห็นภัยในการเวรวายตายเกิดเห็นภัยในกฎแห่งกรรมทั้งหลายเนี่ยเห็นชีวิตมันก็อยู่ในกรงขังความตายมันรุกขมาทุกขณะ มื่ก่อนไปเจอหลวงพี่องค์หนึ่งอายุท่านแปดสิบละแตนบอกอายุมากแล้วท่าก็บอกอายุน้อยแล้วท่านบอกเออจริงเรื่อยอายุข้างหน้าเนี่ยมันน้อยนะฮะแปดสิบในข้างหน้าน้อยอยู่เยอะสิบปีจะไหวหรือเปล่าถึงเก้าสิบเนี่ยเพันจริงเราก็อายุน้อยแล้วยกันอายุข้างหน้าน้อยอายุที่มากน่ยมันใช้หมดแล้ว เพ่าจะรูเกิดความคิดอะไรขึ้นมาให้ได้สักอย่างันก่อนฟังเด็กหนุ่มคนหนึ่งก็พิปลายที่ท้องสนามหลวงในงานสัปราห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลวิสาขบูชาเด็กหนุ่มคนนี้เธอเกสนใจในกิจกรรมทางศาสนาแล้วก็มีความรอบรู้อวิปลายวันนั้นก็ถือว่าเขาพูดได้ดีทีเดียว แสดงั้นความรู้ความวามว้ใจธรรมะได้ลึกซึ้ง ท, างทาง่านท่านเป็นคนที่อยู่ในแวดวงของวงบันวงการบันเทิงมาก่อนอยู่ถักเกอีก้องเธอก็บอกว่าพอดีพ่อตายมันทำให้ซึ้งในสัจจะแห่งชีวิตว่าแม้เราเองก็อยู่ไม่ไนานเลยก็ถอนตัวเองมาอยู่ในแวดวงทางศาสนาทุ่มเทมากทำงานมาก เผยแผ่ศาสนาบอกการรักพระพุทธเจ้าสุดชีวิตจิตใจควจะทุ่มเทชีวิตทํางานรับใช้พระพุทธเจ้าหรือยิงรับใช้พระศาสนานั่นแหละมล้วก็อยู่ที่ ก, การมองนะเพราะฉะนั้นตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนทั้งสามช่วงในแง่ของความจริงที่สอนสามช่วงนะฮะช่วงแรกก็คือช่วงในการรับปัจจัยธิ ต้องพิจารณาให้เห็นศักดิ์ว่ามันเป็นธาตุกันนั่นเองถึงจุดหนึ่งในให้เข้าถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นวันนิสตตนชีวสุนโญสุนโญไม่ใช่ศักด์ไม่ใช่ชีวะแล้วก็ว่างเปล่าว่างจากสาระแก่นสารทั้งหลายเพราะว่าจริงๆมันก็ศัดแต่ว่าอาหารคือนำผลมาแล้วไ่หิวต่อนะฮะ คือมันบรรเทาปัญหาเท่านั้นเองเรื่องปัจเจ sĩ มันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ปัจจ sĩ เไม่เรื่องบรรเทาเพราะลงรวมเราแก้ปัญหาเรื่องปากทองของโลกไม่ได้แม้จะเศรษฐีก็แก้ได้เพียงชั่วขณะแต่มีเงินตักแสนล้านก็แก้ปัญหาได้ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองเสร็แล้วเธอต้องกินต่อรับประทานอาหารเช้าอีกไม่กี่ชั่วโมงก็ต้องกินอาหารเที่ยงะ กินอาหาเที่ยงแล้วอาจจะกินบ่ายแล้วกินเย็นต่อโดยทั้งไปนั่นก็แสดงให้เห็นว่าพวกนี้ที่จริงเราทําได้แค่บรรเทาแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นบัจจัยเครื่องอาศัยในการดํารงชีวิตนะฮะท่านเรียกในบาลีเนี่ยท่านเรียกชัดมากท่านเรียกว่านิสัยนิสัยก็คือเครื่องอาศัย อัยเพื่อชีวิตนั้นดำรงอยู่ได้เพราะงั้นก็ทรงสอนในพิจารณาในขณะรับแล้วก็ในขณะบริโภคใช้สอยปจัจจ sĩ ทุกอย่า ง, งนะแล้วก็หลังจากหลังจากนั้นไปแล้วท่านเรียกว่าตังคณิกะปัจจเวกขณะคือพิจารณาโดยเฉพาะเจาะจงลงไปในขณะนั้นๆแล้วตีตะปัจจเวกขณะคือพิจารณาเมื่อมันผ่านการบริโภคใช้สอยปัจเจ sĩ ไปแล้ว ก็เวลาเนี่ยพระเราส่วนใหญ่ก็มาสวดนะฮะสวดในที่บางแห่งท่านใช้วิธีเวลาฉันอาหารในฉันพร้อมกันในโรงครัวในโรงฉันในสารการเรียนแล้วก็พอเริ่มจะฉันก็สวดตรงนี้พร้อมกันเคยเจอที่วัดหลวงพี่ทีิวาเนี่ยที่วัดวังตะกูที่จังหวัดนครปฐมท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัด เราก็เราก็ไม่เคยได้ยินเพราะว่าที่อยู่นีก็คือพิจารณาเองนะฮะไขสฉันก็นั้นก็พิจารณาในเรื่องอาหารท่านเรื่องเรื่องเครื่องนุงห่มก่อนเรื่องจีวรก่อนบอกว่าเราใช้สอยจีวรเพียงเพื่อบำบัดความหนาวความร้อนสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะ มีให้เกิดความละอายเห็นไหมวัตถุประสงค์จริงๆมันก็ท่างนันเองคือป้องกันหนาวร้อนซึ่งเกิดจากอากาศแล้วก็สัตว์ทั้งหลายเนยเหลือบยุงรมแดดทั้งหลายเนี่ยในขณะเดียวกันก็ปกปิดร่างกายอวัยวะที่ควรเก่การปกปิดถ้าไม่ปกปิดแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าความละอายมันเกิดหรือความละอายมันกำเริบ สมวนบารีเรียกยังความละอายให้กำเริบคือหมายความว่าทําไม้ปกปิดเอาไว้เราก็จะรู้สึกละอายคือการมองอย่างนี้มันขึ้นอยู่กับยุคสมัยไปแล้วคือยังนึกก็สงสัยนะฮะแต่เรามันรุ่นคุณคนรุ่นปู่ย่ารุ่นรุ่นรุ่นปู่รุ่นตาของเด็กแล้วก็เลยก็เราเข้าใจเธอนะฮะว่าเธอก็คิดของเธออย่างนั้นภาษาเด็ก เพราะนี้คนส่วนหนึ่งเนี่ยมันแต่งเนื้อแต่ง ต, ต, ตัวแล้วปิดอวัยวะที่ควรปกปิดไม่ได้คือทอาไม่ปกปิดแล้วละอายเนี่ยบางทีก็ไม่รู้สึกเป็นเรื่องน่าละอายนี่คือปัญหาที่น่ากลัวแล้วก็ดึงปัญหาพวกอัจฉรกรรมทั้งหลายเนี่ยการสู ข, ข้านอาจารย์ ข, ข่มขืนการทำําเราต่างๆที่มันติดตามมาเนี่ยคือสังคมอ่อนแอสังคมไม่ได้มองอะไรไปเชื่อมโยงกัน ว่ามันเกิดสิ่งนี้สิ่งนี้ก็เกิดสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดสิ่ง น, งนี้ถ้าเราได้ประมวลทิศทางสังคมเราทำเป็นสถิติเอาไว้นะแลวช่วยกันรวบรวมสถิติเหล่านี้เอาไว้แล้วก็มาวิเคราะห์มาสัมมนากันว่าเช่นหลังจากประกวดนางงามจักรวาลเนี่ยปัญหาจากรรมทางเพศเกิดขึ้นสูงไหมเมื่อเทียบเคียงกับสมัยแสดงแฟชั่นที่แถวสีลมเนี่ย เหตุการ์หลังจากนั้นก็คือเกิดปัญหาสิทคิ์ข้าราชการกันมากมันเกี่ยวเรื่องกันไหมคือสังคมเคยคิดหรือเปล่ามเกี่ยวเรื่องกันเปล่าโดยเฉพาะอย่า ง, งยิงง่งยิ่งยิ่งสิภาครัฐเนี่ยกระทรงศึกษากระทรวงคมนาคมแม้กระทรวงหมหาดไทยเองกเ็เถอะกระทวงวัฒนธรรมมีหลายกระทรวงนะฮะที่ควรจะคิดคุณจะมองเร่องแบบนี้วันวาการพิจารณาแล้ว บริโภคใช้สอยพวกเครื่องนุ่มห่มเนี่ยคือมันสุภาพเรียบร้อยแล้วก็ป้องกันอันตรายที่มาจากภายนอกได้จากความหนาวบางทีป้องกันหนาวบางทีป้องกันร้อนนะฮะก็จะเห็นว่าบางทีเราอาจจะต้องคลุมศีรษะมันก็ป้องกันร้อนบางทีก็ห่มป้องกันหนาวสวมใส่ทุดธรรมดา สามารถจะอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนที่หนาวได้หรือที่อบูนได้แล้วก็ปกปิดอวัยวะที่ควรปกปิดถ้าเราสังเกตว่าเครื่องแต่งตัวของนักบวชในพระพุทธศาสนาเอาไว้นี้เราพูดภิกษุสามเณรเนี่ยนะะเพราะว่าภิกษุณีสามนเณรีเราไม่ได้เห็นแต่เราก็มาดูไม่ชีใมชีใครจะเป็นคิดเครื่องแบบคน ม, มันก็ถือว่าเก่งนะ ก็คิดแล้วปกปิดเอาบายบ่าบาได้หมดเลยของพ้าเวลาเข้าบ้านเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะโปลที่เท้านิดหนึ่งก็ที่มือนิดหนึ่งก็แน่ๆแล้วที่คอนะฮะแล้วนั้นก็จะถูกขอหุ้มไว้ด้วยผ้าหมดเราก็ส่งบรรดาศิป็นวินญญาะให้นุ่งหม่มให้เป็นปริมนทนคนือให้เรียบร้อยต้องปิดข่าเลยไปถึงกลางแข่งหรือครึ่งแข่ง คือไม่จะถึงก็เรื้อหน้าเรือหลังนะฮะแต่ว่าไอ้ผ้าสะบองกระจิวรเนี่ยมันอยู่ระดับครึ่งแข้งแล้วข้างบนก็ปิดหลุมคอปิดบ่าทั้งสองข้งางไปในวัดแล้วก็นุ่งอย่างนั้นนะ่ะแต่ว่าหม่มถ้าอยู่ในส่วนกุฏิก็สวมบางสาเฉยไม่ต้องถึงกับม่มจิวอนก็อยู่เป็นการส่วนตัวแต่ถ้ามีแขกมันก็ต้องขมจิวรน กามีแขกมาเนี่ยก็ต้องห่มกีวันเพื่อเกิดความเรียบร้อยเพราะถ้าชาวบ้านคิดได้ได้อย่างนี้จะประหยัดเรื่องเสื้อผ้าเยอะวันก่อนรูข่าวก็บรอบอะไรของเจ้าก่อแก้วประกาศขวัญก็คนรู้เราวข่าวเดียวกันนะการทำ แต่เราก็ตกใจว่าเสื้อผ้าเขาเนี่ยมีตั้งสองพันกว่าชุดนะเอามาประมูลเอามาขายกันก็ระดับไฮโซกันตั้งนั้นเลนะแล้วก็โอ้โหเสื้อผ้าเหล่านี้เห็นล้านล้านเน่ยบางตัวเป็นแสนซื้อมาางทียังยังไม่ได้ใช้ก็มีในกรณีของพันยาดีประธานาธิ่ดีมากอดอิมีนดานะ่ย มีรองเท้าทั้งสามพันกว่าคู่โอ้โหบริโภคปัจจัยเหลือเฟือนี่เก่นั้นตลงว่าเราปเป็นธาตุปฏิสีเป็นที่จะบริโภคอย่างเป็นนายเราบริโภคอย่างเป็นผู้รับใช้ปฏิสีเพราะในกรณีก็ อ, อาหารนี่ถือเรื่องใหญ่มากนะอาหารเนี่ยคืออาหารเราปกติแล้วมันมีถึงสี่อย่าง เขาเรียกว่ากาวลิงกะาอหารอาหารที่เราต้องดื่มต้องลิ้นต้องชิมต้องกินเข้าไปทางปากรวมทั้งหมดเนี่ยเป็นกาวลิงกาอาหารอาจจะกินหรืออาจจะดื่มหรืออาจจะชิมก็ได้แต่สรุปว่าเข้าไปทางปากแล้วก็กระทบลิ้นผ่านลําคอลงไปเนี่ยเราเรียกอาหารชนิดนั้นว่ากาวลิงกาอาหาร เย็นห่งเป็นวิน ญ, ญาณอาหารคืออาหารตาอาหารหูอาหารจ ม, มูกอาหารลิ้นอาหารกายอาหารใจก็คือสิ่งที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลพระธรรมารมพี่พระเจ้าทรงสอนในสํารวมไว้ในข้อที่สองนะฮะจริงตัวก็มันเป็นอาหารยังไงือแกพนํนานผลมาคือนําความเบิกบานแช่มชื่นนะบางอย่างก็นําความอิ่มมาที่ผ่านลิ้นก็นําความอิ่มมาแต่ว่า ในกรณีนี้ก็ถือว่าก็แยกออกไปส่วนที่กระทบลิ้นก็ถือว่าเป็นกำลันกระหานไปส่วนที่ผ่านมาทางตาทางหูทางจมูกทางกายทางใจก็ถือว่าเป็นวิญญาณอาหารแต่ในขณะเดียวกันที่ผ่านมาทางลิ้นเนี่ยบางทีเราคิดเอาคิดถึงอาหารอร่อ ย, ลยแล้วเกิดรู้สึก ระหายหรือว่าเกิดทำลายสอขึ้นมามันก็แสดงว่านำมาสิ้นผลเระือนกันแล้วก็ผัสสหารคือการกระทบกระทบทางเนี้ยอาจจะนะภายในภายนอกมันก็เป็นอาหารหนึ่งเป็นอาหารกายที่เกิดจะสัมผัสนะฮก็นำผลมาอย่างห น, นึ่งพวกนี้รู้ไม่าทันทันก็แย่เหมือนกันนะเพราะมันเป็นวัตถุ ก, การม แล้วก็มโนสังเจตนาอาหารเป็นเจตจำนงเป็นความมุ่งมัน่นเป็นความตั้งใจนะจนถึงกับการจุติเพื่อไปไปสุนชิมันก็อยู่ในกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มของมโนสัญเจตนาอาหารแล้วก็เป็นวิญญาณอาหารด้วยนะฮะเพราะเราเห็นว่าปัญหาเรื่องอาหารเลยเป็นเรื่องใหญ่เพราะในแง่ความจริงมันไม่ได้เข้าทางปากอย่างเดียว มันผ่านประสาทสัมผัสทั้งหมดเลยทั้งทั้งหกประการทาาั้งตาทั้งหูทั้งจ ม, มูกทั้งลิ้นทั้งกายแล้วก็ทังใจเราก็สง่งสอนพิจารณาเน้นไปที่ตัวผ่านทางปากบอกว่าเราบริโภคอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นเพื่อเมือม่อมอัวมเอเพื่อประดับเพื่อตกแต่งไม่จาเป็นน่ะไันจำเป็นจะต้องดรูหราอะไรอะไรอรื่อาหารขอยสะอาดก็แล้วกัน บางทีต้องแกะสลักลวดลายลงทุนลงแรงกันเยอะๆเราไปเคียวกินบทแหลกหมดเราสูญเสียเวลาไปเรื่องนี้เยอะนะฮะเป็นอาหารตาอาหารถูอาหารจมูกอาหารลิ้นอาหารลิ้นก็ใช่และอาหารกายอาหารใจเราบริโภคหมดเพียงเพื่อให้ร่างกายดำรงอยู่แต่บริโภคเพื่อเพียงเพื่อให้ร่างกายดํารงอยู่เพื่อระงับความลําบาก อ, อนุเคราะห์แก่การประพฤติปฏิบัติพัฒนาจิตเรียกอนุเคราะห์ต่อพรหมจันทร์โดยคิดว่าการบริโภคอาหารของเรานี้จะบำบัดเวทนาเก่าคือป้องขจัดความอยู่เก่าในขณะเดียวกันก็ป้องกันความอยู่ใหม่แล้วก็ให้ชีวิตเนี่ยดำรงอยู่ได้ความไม่มีโทษความภาสุกก็จะเกิดขึ้นแก่เรา ระยะหนึ่งเพราะว่าเป็นการบรรเทาเพราะส ม, มัยประโยชน์จริงๆก็คือขจัดความหิวโหยป้องกันความหิวใหม่ร่างกายมีกําลังมีด้ยวยแรงสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจการงานได้และการต่อไปก็คือเรื่องที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยมัก็คือคือกับเครื่องลมนั่นแหละเพราะว่าเป็นพวกอุปโภคด้วยกันเป็นเครื่องใช้นะฮะเป็นเครื่องใช้ เรามาพูดเราเครื่องใช้ไม้สอยทั้งหลายเนี่ยรวมอยู่ในพวกเสนาสนะกับพวกเครื่องโน้เป็นพวกอุปโภคก็ทั้งก็สอนวิจารณาในแนวเดียวกันบอกว่าเราใช้สอยเสนาสนะเพียงเพื่อบำบัดความหนาวร้อนและสัมผัสอันเกิดจากเกลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลาน เพื่อบันเทาอันตรายที่เกิดขึ้นตามราดูกาลนะและเพื่อให้ยินดีในการหลีกเล่นคือสงบตัวเองเพราะในวินัยจึงกำหนดเอาไว้ว่าในพันษาเพิ่งเป็นระดูฝนเนี่ยพระจะไปอยู่ในที่ที่ไม่มุงบงังไม่ได้จะต้องมีการมุงกันบังเรียบร้อยคือเป็นที่เป็นทาง จะจำพรรษาในถ้ำในตุ่มในอะไรแต่อะไรไม่ได้วันพระจะอยู่ทุน่นด่งอยู่ป่าเป็นวัดอยู่คนไม้เป็นวั ด, อ ย, วดอยู่ที่แจ้งเป็นวัดก็ทําไม่ได้ตลอดอะ่ะเพราะว่าในช่วงสามเดือนตอนข้าพรรษาต้องอยู่เป็นที่เป็นทางอันนี้ก็เพื่อสวัสดิภาพนะไปเกิดสวัสดิภาพคือป้องกันภัยอันตรายก็เรียกว่าสำเร็จประโยชน์ ท่เรียกว่ากุติก็แปลว่ากระตะ๊อกแล้วในการต่อมาเนี่ยเราจะพบว่าชาวบ้านเขาก็สร้างอะไรถาวายคือเราอยู่ตรงนั้นไม่นานนะว่ากระทำความจริงจริงก็อยู่ไม่นานเพราะอะไรเพราะชาวบ้านก็าศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าศรัทธาต่อพระรัตนตรัยเขาไม่อยากเห็นคนที่เขาศรัทธาเนี่ยไปจะอยู่อย่างนั้นตัวจะเป็นอันตรายครับ เพราะาเริ่มต้นจากหลังจากพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายพระวิรุวั์แล้วก็ราชกิจหาเศษฉีก็ไปเจอพระรู้สึกจะหกสิบหรือสามสิบไปนะครับเคยยังนึกอยู่ว่าพระสามสิบนี่พระพวกไหนพระพหกสิบนี่พระพวกไหนเพราะตอนนั้นอยู่ที่กลุ่มราชาคฤห์นะฮะยที่กลุ่มราชาคฤห์ เป็นไปได้ไหมที่จะเป็นพระาหาัน ร, รุ่นที่ส่งไปเผยแผ่ศาสนาหกสิบรูปและท่านคงกลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่มีที่พักเพราะว่าท่านเลื่อมใสในเรียบทการเคลื่อนไหวของท่านเราแต่ถ้าสามสิบรูปก็เป็นไปได้ไหมว่าเป็นพระพุทธวิคีซึ่งเป็นพระอนามีอยู่จะส่งไปเผยแพผ่ศาสนาแล้วคงกลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็คงไม่มีที่พักอีกค่ะ อีกเช่นกันราชการเศรษฐีเกิดสถานเลื่อมใสก็ไปสอบถามว่าทําไมท่านมาอยู่อย่างนี้เป็นอันตรายหรือทําไมไม่มีที่อยู่เป็นกิจลักษณะท่านบอกว่าพระพุทธเจ้ายังไม่ทรงอนุญาตให้พระรับเสนาสนะท่านก็ขอให้ท่านเหล่านั้นไปกราบคูลขอพระพุทธเจ้าขอพุทธานุญาตแล้วท่านก็จะเป็นเจ้าภาพสร้างเองเมื่อเกิดเสนาสนะกี่น จนถึงแนมะท่านอนาาทัานบินิกาเศรษฐีลงทุนไปตั้งห้าสิบสี่โกรธห้าร้อยสี่สิบล้านห้าร้อยสี่สิ้านกับหาปะหัะะนะฮะกาะอย่างเบาๆ ก, ก, ก็ขนาดว่าแถวเนี้ยแถวยูโรแถวดอลล่าของสหรัฐเนี่ยอาจจะถึงปอนด์สเตอรลิงก็ได้นะฮะจะสรุปมันเยอะมากๆแต่สมบัตินะั้นก็เป็นสมบัติของศ า, าสนา พระก็มีสิบที่จะอยู่อาศัยตัดเข้ า, ท, าที่ยังเป็นพระเพราะมันก็ได้อีอย่างหนึ่งคือว่าเขาเรียกว่าภารกกรรมคือเป็นผลงานที่ยั่งยืนไม่ต้องไปวุ่นวายกับเรื่องเหล่านี้คือตัดภาระขึ้นกงบนเรื่องที่อยู่อาศัยไปแต่ว่าความต้องมิประโยชน์ก็ถือเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่า การให้ที่อยู่อาศัยเนี่ยมันชื่อวเป็นการให้ทุกอย่างแล้วก็เป็นบุญทุกณะที่มีการใช้ที่ออาศัยเหล่านั้นหรือเครื่องใช้เหล่านั้นแต่ในขณะเดียวกันตัวเนี้ยไม่ได้พูดในช่วงได้มาพูดในช่วงของการใช้สอยเพราะทำไมประโยชน์อย่างนี้ไหมแล้วทำไมประโยชน์ก็พอ แน่นอนถ้าเป็นครอบครัวคิดอย่างนี้คงไม่ได้หรอกเพราะว่ามีลูกมีเต้าอะไรต่ไรจะต้องดูต้องแลมีทรัพย์สินเงินทองต่างๆแต่ว่าถ้าหรูหราเกินไปใหญ่โตเกินไปก็ลบาบากนะเพราะอะไรพราค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะสูงมากๆแล้วในที่สุดเราก็สูญเสียเวลาไปเพียงเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของสถานะ ว่าเป็นผู้ครอบครองมหาคือฐานขนาดใหญ่เนี่ยต้องเงินทองเยอะต้องค่าใช้จ่ายเยอะมันก็สถานะมันคงเป็นปัจเจกค่อใช้จ่ยเยอะนั่นแหละมันเปลีป่ยนไปอื่นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าในสุดมันเป็นสมบัติโลกคือต้องจริงไว้ในโลกและการต่อไปก็คือยาแก้ไขยาแก้ไขก็คือยาแก้ไขอะนะยาแก้ไขมันมีลักษณะคล้ายๆอาหาร แต่อาหารนั้นมันบำบัดความเิวเป็นหลักอยากแก้ไๆมัญหาบำบัดโรคเป็นหลักเพื่อนท่านก็ให้พิจารณาว่าเราบริโภคยารักษาโรคเพื่อบำบัดเวทนาเนื่องจากอภิภาษ ต, ต่างๆอันเกิดขึ้นแล้วเพื่อไม่มีความเจ็บไข้เป็นสาคัญคือทํายังไงหาจากโรคได้หาจากโรคได้ก็เป็นการพอเพียงอ่ะ คืรอรวรรณนาความจริงในเรื่องเหล่านี้ก็คิดมานานนี่ยนะฮะคือมีโรคเป็นอันม า, ากที่อาตมาเคยติดมาตั้งแต่เป็นเด็กป็นคนที่ร่างกายไม่ปกติมาตั้งแต่เกิดมาดแต่ที่ที่มันหายไปเนี่ยมันเป็นการหายไปโดยยาสมุนไพรเคยเกิดในเรื่องที่เจี๋ยกับช่องท้องเป็นโรคบิดี่บอยที่สุดตั้งแต่เด็กๆ แล้วก็บดมันจะหายเราก็ฉันบอระเพ็ดเนี่ยตำกบเกลือถูกก็สองสองก้อนใหญ่ๆหหายเลยเป็นฝีคันดสูรแล้วก็ใส่ ย, ยาสมุนไพรเนะ่ยคือคือที่โรคโรคที่ติดตัวมาเนี่ยมันหายยาสมุนไพรแต่นั้นยังไม่ได้หายหายจากยาหลวงสักสกอนะั่นแหละยาสมัยใหม่สักข้อนะั่นยังคิดชมบรรพชนอยู่เนี่ยวัดทัดก็เก่งอ่ะ ถัก็สะสมวิชาความรู้เหล่านี้มาได้ก็สายทอดมาได้แต่ในปัจจุบันเอากฎหมายเข้าไปกํากับควบคุมโดยไม่มองถึงปัญหาข้อเท็จจริงนะฮะว่ายาแก้ไข่ากของเมืองนอกเนี่ยมันเพิ่งเกิดร้อยกว่าปีเองแต่มนุษย์ไั้มนอยู่ในโลกมาไม่รู้กี่ล้านปีแล้วบนรพชนก็อยู่ได้ยังไงอายุยืนยื น, ยนเป็นร้อย้ อ, อยปีนะร้อยยี่สิบปีร้ยหกสิบปี แปสิบปีทำไมก่อนเนี่ยทำไมท่านอยู่ได้ถ่าไม่มียาหลวงขนาดนเนี่ยที่เราจะเห็นว่าแม้เราศึกษาสูงในแต่ความคิดเรายังเป็นอน า, นานิคมอยู่เยอะเลยแลวก็อะไรก็ต้องควารังอะไรก็ต้องควารังทุนกล้าวทุนหัวให้ขวรังหมดเลยประเทศจีนเนี่ยเคยมีแพทย์ระดับภูโตเป็นหมอเทวดาสมัยสังก๊ก ประเทศอินเดียมีหมอระดับหมอชิวโกโมารพัฒเป็นหมอเทวดาไปกันซึ่งความรู้ของหมอทั้งสองคนนี้นะฮะคนสมัยนี้ยังค้นไม่ถึงหมอชิวโกโมารพัฒสามารถผ่าตัดสมองได้นะเอาตัวจี้ตัวซีดอะไรออกมาได้แต่คนบริจิ์ดวงเนี่ยท่านรักษาทีเดียวป้ายยาทีเดีย ว, ยายวหายเลยฮะ มันเก่งขนาดนั้นนะมันหายไปเองมันไม่มีการสืดตอบที่เราเห็นว่าปัจเจศสีถ้าเรามองแค่สมเหตประโยชน์ไหมสมเหตประโยชน์ตามที่เราต้องการในการไปพบปัจเจสีไหมก็ถือว่าจะได้เพราะอย่างพระเนี่ยคือยังคิดว่าพระเจ้าจะวางเป็นต้นแบบให้ดูว่าจริงๆเนี่ยเอาแหละ ในการต่อมาพระเจ้าทรงอนิราตทรงอนุญาตอดิเรกจีวอนนะจีวอนเหลือเฟือทีนี้ถ้าเรามีจริงๆเรามีสัก3ามชุดเนี่ยนะหมายความมาสบงสักสามตัวหนึ่งจีวอนักสามตั ว, ตวอังศาสักสามผืนเราคนเอกก็อนเดียวแล้วก็อยู่ได้สบายนะอยู่ได้ที่จริงชุดอย่างเงี้ยมันก็อย่างน้อยก็เจ็ดแปดปีอยู่ได้ มันจะประหยัดอะไรได้เยอะแต่ว่าชาวบ้านแน่นอนต้องรู้ราหน่อยแต่ว่าคือถ้าเราบันึกแบบอินเดียนะฮะเมื่อคนอินเดียนั้นโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยจะไม่รู้ราผู้หญิงเขาก็พืนเดียวนะผ้าซาลีนี่พื้นเดียวแต่ก็วิจินุ่มยังไงเด็ดขาดมากเก่งมากๆแล้วเรียบร้อยนะฮะเขาก็ต้องเรียบร้อย นี่ก็แสดงว่าวัฒการทำเหล่านี้ก็มานานถ่ายทอดกันมานานทีนี้ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยรับสั่งว่าเมื่อผู้เห็นภัยในสังสารวัฏได้พิจารณาโดยรอบโดิแยบคายแล้วบริโภคปัจจัยสีอันสะวะที่ทำความยุ่งยากเดือดร้อนให้จะพึงเกิดขึ้น แต่เมื่อพิจารณาโดยแยบคายเนี่ยมันจะไม่เกิดอ่เพราะอะไรเพราะเราจะบันเทาความอยากเรไม่ได้ก็อสมมําเร็จประโยชน์สมมําเร็จประโยชน์เช่นว่าฉัข้าวในที่จริงข้าวราชแก้ก็ได้แกงหบีาอะไรสมาเร็จประโยชน์ข้าวคุกกับปีกก็ได้อะไรก็ได้อิ่มอิ่มสบายสบายไปอ่ะแต่ว่าทํายังไงว่าจะมีปัญญารู้เท่าทัน คืออย่าถึงกับเหมือนพระแต่อย่ารู้ราวฟู่ฟ้าเป็นธาตุของปฏิสีมากจนเกินไปก็จุดกลางประสานกันเหมาะวมแก่ฐานะของผู้ครองเรือนกับแก่ฐานะของนักบวชมันจะให้เหมือนกันคงไม่ได้หรอกมันคนละระดับกันชาวบ้านก็เรียกอาคาริยวิ น, นัยคือวินัยของผู้ครองเรือนแต่ถ้ามีการรู้จักประหยัดอด อ, อม ไม่ปล่อยกายใจเลื่อนไหลไปตามกระแสของปัญาทิ่กระซิบใจมากเกินไปเนี่ยเราก็แก้ปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องไม่ได้เยอะถึงแม้แต่อย่างที่เคยบอกว่าถ้าชาวพุทธเรารักษาสีนุโบสุดเดือนสี่ครั้งเราก็คิดว่าเอาสักยี่สิบห้าล้านน่ยนะชาวพุทธยี่สิบห้าล้านคนรักษาสีนุโบสุดได้ คือนัสีครั้งบอได้สโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพวกอาหารเนี่ยมันจะเหลือจะเหลือลกระจายอะไระอะไรอ่างๆออกไปได้เยอะเลยแต่ว่าบทบัญญัติของสินนี่เราจะเห็นว่ามันแก้ปัญหาสังคมแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจแต่แก้ปัญหาทางสังคมเอาขนาดศิน8ของพระเจ้านะสิน8ข้อของพรนะเจ้า เราเนชัดเจนว่า5ข้อแรกเนี่ยแก้ปัญหาสังคมแก้ปัญหาสังคมแก้ปัญหาการเมืองแก้ปัญหาสังคมจิตวิทยาแก้ปัญหาความมั่นคงความไม่มั่นคงต่างๆเนี่ยแล้วก็3ข้อหลังเนี่ยมันแก้ปัญหาเศรษฐกิจในขณะเดียวกันก็แก้ปัญหาในทางเพศเพราะว่ามีการกํากับควบคุมตัวราคาเอาไว้โดยวิธีการต่างๆ วิธีการรับประทานอาหารเพียงมือเดียววิธีการไม่พนลมขับร้อมตะโกมดนตรีดูการเล่นต่างๆไม่ประดับประดาตกแต่งร่างกายจะเรียบดอกไม้ของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาไม่นอนบนที่นอนสูงใหญ่เนี่ยมันนอกจากจะเป็นประหยัดแล้วก็ยังเป็นการบรรเทากามราคะที่เกิดขึ้นภายในจิตอีกด้วย เันแต่้าเรามองที่ศีลของพระพุทธเจ้าเพียงชุดเดียวนะไม่ต้องออกมากอนะ่ะจริงมองเฉพาะสีนห้าชุดเดียวอย่งได้เลยเราจะเห็นว่าสัพพัยุติญาณน่ยนะยิ่งใหญ่จริงๆแม้แต่ศีลเพียงข้อเดียวนะข้อปาณาข้อเดียวเนี่ยถ้าเราจะเห็นว่าวิธีการพัฒนายกระดับจิตของผู้นับถือพระพุทธศาสนาขึ้นไปถึงจุดที่ทรงแสดงไว้ว่าหมายความมาเต็มสูตรของ ของศีลปธิบาติในข้อเดียวโลกจะเข้าสู่สันติจะแก้ปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจทั้งสังคมงการเมืองทั้งเรื่องการทหารเรื่องความมั่งคงต่งางๆแก้ได้เพราะเพรพะมาถึงจุดนั้นแล้วโลกมันอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตรมองกันเนด้วยจิตคิดอนุเคราะห์ ย่งงานสัปดาส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลมิสากะบุชาที่เราจัดกันสามจุดกันนะครับทีจริงเราตกลงนัดหมายกันว่าเราจะร่วมมือกันแต่รวมเนี่ยคงไม่ได้นะเพราะว่ามันก้าวหน้าไปเยอะแล้วแล้วพอเราดูเห็นการทําโฆษณาเนี่ยคือที่ที่ท้องสนามหลวนี่โฆษณาให้ทั้งที่พุทธมนตนทั้งที่สาวประชาชาตินะครับ โฆษณาให้ทั้งสามแห่งทุกครั้งเราพูดเนี่ยแในปรากฏว่าพอเขาเป็นลงโฆษณาตามหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาไม่พูดถึงท้อศาสนาหลวงเลยอย่างนึกว่าเออเรื่องขนาดนี้เรายัางแหนรู้สึกเราไปเก่ากันเยอะเลยเกินแก้ปัญ ห, หากันงานนะฮะนี่คือพูดนำทางาศาสนานะความคิดอย่างเป็นอย่างเงี้ยความคิดยังรู้สึกแบ่งแยกแล้วก็เรียกร้องให้เกิดสามัญชี จะดูการกระทําเราเห็นในชัดเลยแล้วว่าม า, มาพยายามอ่านทุกๆุกฉบับเลยดูว่าเขาพูดถึงสนามหลวงมั่งเป่าของเราเนี่เราพูดให้เขาตลอดเราบอกเวบอกอะไรก็รบอกทั้งสามนะบอกทั้งสมตลอดนั่นคืออะไรคือเราเราสอบยังไม่ผ่านสิ่งข้อที่หนึ่งนะเพราะเราขาดความเป็นมิตรขาดความเมตตาขาดความเอ็นดู ต่อสัพพชีวิตทั้งหลายในในความเป็นพุทธะด้วยกันเนี่ยเป็นรู้สิษย์ลู้นักการด้วยกันโดจากตรงนี้เราจะเห็นว่าเราสอบไม่ผ่านแม้แต่ศี่ข้อที่หนึ่งไม่ต้องเอาข้ออื่นนะฮะเอาเฉพาะข้อหนึ่งข้อเดียวนี่เราไม่ผ่านตามที่อภิเษกส่งแสดงไว้เต็มยศเลยเพราะว่าตอนสุดท้ายเนี่ยทรงใช้คําว่ามีจิตคิดอนุเคราะห์ มีทั้งเมตตากรุณานะ่ยเหนาการเขาเมตตากรุณารู้สึกว่าสับปรดชีวิตเนี่ยเป็นมิตรโลกทั้งผองคือพี่น้องกันมันไม่ได้คิดเฉพาะชาวพุทธแล้วทีนี้ถึงจุดนั้นว่าเป็นโลกทั้งผองคือพี่น้องกันพอตรงนี้เข้ามาตั้งเป็นมาตรวัดโรมเราสอบตกเป็นแถวเลยต้องคุยกันอีกเยอะนะในแวดวงชาวพุทธเนี่ยต้องพูดกันต้องทําความเข้าใจกันและต้องมีความสุจริต ธรรมจะเรสุจริตต่างนะนังรุจริตต่างจริยพึงประพฤติธรรมให้สุจริตอยาประพฤติธรรมให้เป็นทุจริตนี่คือหลักการสำคัญในความเป็นชาวพุทธของเราเพื่ังทั้งหลายที่ทาจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไพบูรณ์ในธรรมยมีแดะท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยโทษกันสวัสดี